นั่งปฏิบัติธรรมกันเพื่อนๆพระก็ไปเตรียมเดินธรรมยาราอีกสักสองวันก็คิดว่าจะไปพรุ่งนี้คือวันแล้วก็เืนนี้เริ่มต้นเดินก็เหมือนกับการรวมพลังนะ้วของทัพทมแสดงตัว บุตรเียนถือเป็นปรมาจารย์ทางด้านการเจริสติปัฏฐานิสารตอนบนก็มีชื่ อ, อในประเทศจีนเรียกว่าเวลางสอนวิธีการแบบจิน เาทำนอกวรรมเหมือนที่เราทำเกินไปสี่ชังหวะเดินยอกลมแต่ท่านก็ไม่ได้ห้ามว่าไปทำอย่างอื่นไม่ได้ทำได้สักผ้าถูบ้านทำงานตำการ เป็นการปฏิบัติตามเหมือนกันเราไปปฏิบัติก็เหมือนกันทุกคนโดยเพราะความคิดนะีมันแสดงตัวโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจตั้งใจอยู่จะรู้สึกตัวไม่ได้ห้ามความคิดความคิดก็แสดง เพราะว่าเราไม่ได้เก็บกฎนะไม่ได้เก็บเก็บกนะแล้วเราก็ไม่ได้กบเกลื่อนเราดูตรงๆสภาวะอาการที่มันแสดงออกมาอาการของกายอาการของใจกายก็เคลื่อนไหวอยู่สติรู้กายมันไปรู้ทันความคิด คิดกี่เรื่องแต่สติมันมีผมก็รู้ทันเท่านั้นเรื่องรู้เท่ารู้ทันแต่บางทีความคิดมันละเอียดอารมณ์มันละเอียดมันก็ไม่ทันอันนี้เป็เรื่องธรรมดาเราจึงนี่แหละหา ม, มุมเงียบๆส่วนตัวส่วนตั ว, ต, วตัวใครตัวเรา นั่งจ้างชาวะเดินรงกลมเราจะเห็นรายละเอียดต่างๆของอาการดิมปรากฏซ้ำแล้วจำเรล่าใหม่ๆคิดที่เป็นปัญหานจะเกิดขึ้นมาก่อนนานไปมันจะเป็นความคิดที่เป็นเรื่องของการทำดีตรักตลวงพังโูเข้ามา บางทีก็มีควั่นองโป่งเบาอา ก, การปิดบัิบางทีก็มีอาการธรรมดาธรรมดาเป็นปกติปรากฏบางทีก็หนักก็เบื่อสงสัยก็แสดงตัวเหมือนกันแล้วแต่จังหวะของเหตุปัจจัยต่างๆถ้าจะให้ไวคืออาการ ผ่านได้เลยทันทีแต่บางเป็นปกติตัวสติการ ร, ารู้ยังไม่ว่องไวมันก็อดที่จะไหลไปตามอารมณ์เข้าไปเป็นผู้เป็นแทนที่จะเป็นผู้เห็นมันไหลเข้าไปไปเป็นผู้เป็นมันก็ ต้องทำไปๆจะเกิดความจำนานขึ้นไาพอออกมาได้มันก็จะจำรอยเล็กๆเป็นความรู้สึกตัวพอรู้ทันปั๊บมันก็รู้สึกตัวไม่เข้าไปในอารมณ์ทันทีบางทีมีความโกรกง่วงนิวรธรรมความเลยสงสัยนิวรธรรมการพยาบาลนิวรธรรมความฟุ้งซ่านนิวรธรรม เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาของนักปีบัติแล้วก็ไม่อยอมท้อมันทำงานทําการมันยังไม่สําเร็จเราก็ทําต่อไปเหนื่อยก็เหนื่อยเหมื่อยก็เหมื่อยล้าก็ล้าแต่เมื่อมองถึงผลสําเร็จของงานแล้วมันก็ส้องอึดขึ้นมา ต้องฮดสู้ขึ้นมาอดทนใหม่ๆมันก็อดทนตอนหลังมันไม่ต้องทนเพราะมันเกิดคุณเกิดค่าขึ้นมาจริงๆเห็นว่านั่นละคือตัวชีวิตของเราละ่ะชีวิตตั้งชีวิตมันก็คือการงานงานที่สำคัญที่สุดคือกรรมฐาน นั่งก็รู้สึกตัวเดินก็นรู้สึกตัวจะเคลื่อนไหวเหลียวซ้ายแลกว่ามันเป็นตัวชีวิตชีวามันเครื่องอยู่ความเป็นปกติมันก็เรียกว่าพยายามที่จะซ่อมแล้วก็ใช้ตัวไหนที่มันผิดก็ซ่อมตัวไหนที่ไม่ดีก็แก้มันดีซ่อมใช้มีรถรถไม่ดี เราก็ แ, แต่งซ่อมให้มันดีเอามาใช้ประตูไม่ดีก็แต่งซ่อมให้มันดีแล้วก็มาใช้บายจายมันไม่ดีแล้วก็แต่งซ่อมให้มันดีแล้วอามาใช้ไข่ก็เราไม่ดีก็แต่งซ่อมใช้ต่อชำระสุดลมไปตามอายุไข เราก็ประคับของซ่อมใช้ต่อเป็นช่างซ่อมจิตใจของเราเหมือนกันเราก็่อมใช้ต่อคนส่วนใหญ่ไม่ซ่อมส่วนใหญ่ก็เจ้าพระของใหม่ค่าตัวตายไม่ซ่อมยอมตายแล้วเกิดใหม่เยอะเลยจนองค์การอไมริกาบอ ก, อกมันน่าห่วง มนุษตวันนี้ถูกความคิดหลอกจนสติติมันมากมายเหลือเกินหมันตภัยที่ใหญ่หลวงที่สคือฆ่าตัวเองตายถ้าไม่ฆ่าตัวเองตายก็ฆ่าผู้อื่นตายบางคนหลายปีที่ผ่านมาเกิดสึนามิ ไม่ได้ตายเพราะน้ำทะเลไม่ได้ตายเพราะคลื่นยักษ์รอดมาได้แต่มาคิดถึงว่าลูกตายสามีตายพ่อตายแม่ตายเพื่อนตายธุรกิจล่มสลายเป็นโรคประสาทตายสุดก็ผูกคอตายตายเพราะคลื่นความคิด มันไม่รู้สึกตัวมันไม่เยวยาแก้ไขปัญหาภายในจิตใจโดยการปฏิบัติธรรมตรงลงไปที่กายที่ใจตรงๆบางคนก็กบเกลื่อนตัวเองไปรดน้ำมนต์พ่นน้ำหมากสะดอคกแ้ว ของเราไม่ที่นี่เราตรงๆมันเสียตรงไหนก็ซ่อมตรงนั้นน่ะมีความเป็นกลางแล้วกลมกกืนกับสภาวะทุกๆสภาวะความรู้สึกตัวน้เกิดความเป็นกลางขึ้นมาจริงๆถ้ารู้ถูกการเคลื่อนการไหวหแต่ละณะเราสังเกตได้มีความผ่อนคลายของกายของกล้ามเนื้อ ถ้าใจมันตึงหน้ามันก็ตึงใจมันคลายหน้ามันก็คลายใจมันเป็นกลางกายมันก็เป็นกลางเราสังเกตได้ถ้านั่งถ้าเดินถ้ายืนถ้านอนเราก็เฝ้าสังเกตมันก็เห็นปรากฏาการเหล่าเนี้ยตึ ง, ตงคๆคลายๆ บางทีก็ทำได้บางทีก็ทําไม่ได้บางทีก็รู้สึกตัวดีบางทีก็หลงเผลอนั่งคิดเม้อใจลอยเราก็ฝึกตนสอนตนกลับมากลับมาปฏิบัติธรรมคือกลับมาสู่ฐานที่เรากําลังผลิตเยอเกลื่อนไหวผลิตตัวรู้สึกเยอะใช้กายเป็นอุปกรณ์ คายเคลื่อนไหวใจรู้รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอมีกตรงไหนเป็นจุดอ่อนนั่งปวดเมื่อยรีบลุกหุนหันพันแล่นมันก็มีสติกากับนี่ยรอลจุดอ่อนแล้วปิดรูรั่วบาทีตาหูจมูกเล่นมันก็ชวนหลง ดูรูปฟังเสียงแล้วก็เอากลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็ซ่อมแล้วซ้อมอีกเอาจรกงๆทั้งมันมันดีมันเป็นปกติตาดูก็ไม่หลงทางตาหูฟังก็ไม่หลงทางหูเวลาเกินมือเดินจงกลม ไม่หลงไม่หลงก็ไปในความรู้สึกนดูอยู่เห็นอยู่องคสมเด็จสัมมาฯเจ้าในค้นพบนะมหาตติฐานสูตรเป็นทางเอกหนทางเดียวสุขา ร, รู้แจ้งวันเป็นเดือนหดท่านบรรลุธรรมวันเป็ น, น, นเดือนหกทำบรรลุธรรมเดือนแปดก็ออกสอน มันเป็นเดือนสามมีคนรู้ได้มีพระหันหนึ่งพันหนึ่งพันนั่นแหละสองร้อยยี่ห้าคนป่ะอะหนึ่งพันสองรอห้าสิบคนอืมใช่หนึ่งพันสองรห้าสิบมีชะดินสามพี่น้องบรรลุทีเดียวเลย ห้าร้อยสามร้อยน่สองร้อยคนที่แรกก็ไม่เชื่อเพราะว่าเชื่อรัที่บูชาไฟอยู่บูชาแสงอาทิตย์พระอาทิตย์พระเจ้าก็เห็นว่ากำลังแสวงหาทางหลุดพ้นเหมือนกันก็คิดจะแสดงธรรมสอนธรรม ทำรูธรรมก็จะได้เป็นสาวกช่วยกันเผยแผ่อุบาสนาอุรเวลกสัส ป, ปะนาตีกสัส ป, ปะสีหคยาศ ก, กัสปะ3พี่น้องมีบริวารอุรเวลกสัส ป, ปะมี500นาตีกสัส ป, ปะมี300สีหคยาศกสัส ป, ปะมี200 ไม่ต้อนรับองค์สเร็ตัมมาเจ้าแสดงในการไปอยู่กับจะาแม่กาลีมีงูพิษแล้วก็รอดมาได้ลงเช้าสาวาก็แปลกใจมันไม่เคยมีใครรอดนะนอนกังูงูกัดตายหมด ก็เลยอัศจรรย์ใจ เ, เห็นเป็นบุคคลที่มีฤทธิ์มีบุญญาธิการผ่านข้าคืนที่หลายคนก็ถือว่ามันน่าจะพึงกลัวการไปนอนอยู่ข้งูในแม่ใ น, ในในในอะไร่ะในสถานจตสนัสถาน ที่นักตือก็เจะาแม่กาลีพอฟังธรรมก็ตาก็คือไฟกระทบรูปก็คือไฟหูก็คือไฟเสียงก็คือไฟพระเจ้าเปรียบเทียบนะเสร็จแล้วจิตของเราที่ไปสวยอารมณ์ก็คือไฟ เกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมาก็คือไฟ <Yeah. S 1> เกิดความรุ่มร้อน <Yeah. S 1> เป็นราคะคิ <Yeah. S 1> เป็นโทสะคิเป็นโมหะคิ <Yeah. S 1> ไฟคือโทสะ <Yeah. S 1> ไฟคือราคะปรากฏว่าวุเรวัสปะกับสาวกมรลุธรรม ทั้งๆี่ตอนนั้นสมัยนั้นก็ไม่ได้มีไมโครโฟนไม่ได้มีเครื่องขยายเสียงแต่เราพูดยังไงได้ยินกันทีเดียวห้าร้อยคนมาู้ทำเขาเจื่อว่าองสมิด็จสมานเจ้าในบรรลือสีหนานาแต่โดยส่วนตัวเนี่ยบอกว่าท่านทำเรื่องยากให้ง่าย ธรรมะเนี่ยเป็นของที่สามารถสัมผัสได้เข้าถึงได้เพียงแค่เราเปิดใจได้ยินได้ฟังนอง้อมเข้ามาใส่ตนคนที่รู้เร็วที่สุดในโลกมีภัยยะภารุจิริย ะ, ยะกำลังหิวธรรมะกระหายธรรมะวิ่งด้วยความกระหอบพระเจ้า พูดไม่กี่คำภายาะเธอจงสำเนียกว่าเห็นส่ายเห็นได้ยินส่ายยินจะไม่มีเธอในโลกนี้โลกหน้าพอฟังปั๊บกดการแตกฉานนำปัญญาภายในขึ้นมาบรรลุธรรมทันทีเรื่องทีไม่ใช่พู้เจ้าสอนด้วยเป็นภาสชิจสอนภาษารีบุตร ประโยกสั้นๆต่อยเกิดการบรรลุธรรมเยทธรรมไมเหตุตูพภาวะเตสันยเหตุตตถาคโตเจตสันจะโลนิโยโทจะเอวังวาทีมหาสมมโนทุกๆสิ่งเกิดแต่เหตุทายดับกระดับที่เหตุฟังปั๊บปิ้งขึ้นมาเลยแต่เรมยุคสองพันหร้อยปีจากวันนั้นถึงวันนี้ มหาติฐานสูตรมันก็ยังมีพูดถึงอยู่แล้วการปฏิบัติมันก็ยังทำได้อยู่แล้วเราก็เอาลงมาทำจริงๆลงพื้นที่จริงๆกายเคลื่อนไหวก็กายก็ไหวจริงๆมีความคิดมันก็รู้ทันจริงๆกลับมาได้จริงๆ ถ้าเดินก้าวเดียวก้าวเดียวก้าวเดียวอย่างถูกต้องมั่นคงมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันเห็นความคิดยัมเป็นความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดดีเป็นอดีตคิดชั่วเป็นอดีตคิดดีไปในอนาคตคิดชั่วไปในอนาคตคิดธี่าวิจารณเป็นปัจจุบันภาวิจารณ์ไป มันก็คือตัวคิดที่ถูกรู้ถูกเห็นสติมันก็ชำนาญรู้แล้วรู้อีกมันก็เป็นจริงๆแค่รู้สึกตัวครั้งหนึ่งมันก็ไม่ได้คิดถึงปัญหาเก่าๆมันก็ช่วยได้แล้วยิ่งสติมันเด่นขึ้นมามันออกจากอาการของกายอาการของใจ มันเห็นเห็นไม่เข้าไปเป็นแนั่ทนมันก็โอ้ได้หลักเหมือนกันเห็นความคิดอย่างเงี้ยได้หลักตอนที่รู้รู้รู้รรนานมนได้กระแสเห็นความคิดนี่ได้หลักปฏิบัติมันรู้สมมติฐานของทุกสมมติบัญญัติแหล่งกําเนิดถ้าเผลอหลงเข้าไป ก็เป็นพบภูมิทันทีจิตตกจิตต่ำทันทีทุกครั้งที่มีภาวะผู้ดูงก็ยกตัวสูงขึ้นมาทันทีจิตสูงเป็นมนุษย์เป็นได้เพราใจสูงอ๋อจิตมันสูงมนุษย์ก็คือมนออัมนนก็อุดเยะใจมันนอุดเชืมันสูงมันไม่ใช่ใจตกใจต่ำ ใจเมื่อใจมัวมันเป็นจิตมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมรรคผลมรรคผลมรรคผลรู้วางรู้วางรู้วางรู้วางรู้ปล่อยรู้ละรู้วางมันก็มีแต่ทุกข์ะนะอาการต่างๆที่มันแสดงออกเป็นอาการท่ารู้ไม่เท่าทันก็นเป็นทุกข์เราก็เลย ไม่ต้องเสียเวลารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวกันเป็นเรื่องที่เราทำได้ทุกคนอีบทนั่งเดินยืนเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันสะดวกกับการปฏิบัติไม่ให้มันเก็ดมันลาบ ให้มันปิบัติอย่างราบรื่นทำได้เรื่อยๆทั้งวัน5านาทีสิบนาทีครึ่งชั่วโมงหรือว่าสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเหมือนกับว่าจนวันทั้งวันมันมีแต่ความรู้สึกตัวจะทำอะไรก็ตามเห็นอาการผ่อนคลาย ของกายของจิตเห็นจิตที่มันเข้าๆออกๆออเห็นอารมณ์ที่มันจอนไปจอนมาเข้าๆออกๆออทุกครั้งมันจะได้คำตอบตรงที่ว่ารู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้แล้วรู้อีกจะมันเกิดเหตุปัจจัยพราปัจจัย ปัจจัยที่ว่าหมายถึงว่าทุกครั้งที่มันมีโจทย์มันจะเลยได้มันไม่เอาเป็นความโลภความโกรธความหลงความรักความชางังความทุกข์มันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามเป็นความรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกเดินยังกรมใหม่ๆสําหรับผู้ใหม่ ก็สังเกตดีๆแต่ละจังหวะไม่เกกไม่เกร็งแล้วไม่มีการนับ1สองสาพุ่งโตสัมมาละหังซ้ายขวา1 2ึ <generally> 1> <lại S> 2> <From S> 1> ่สอี่อะไรไม่มีหมดมันมีแต่สัมผัสรู้สึกสัมผัสรู้สึกสัมผัสรู้สึกยกมือ14จังหวะก็มีแต่สัมผัสรู้สึกสัมผัสรู้สึกสัมผัสรู้สึก การเคลื่อนมือคือการเดินจงกรมได้มือนอกจากเราเดินจงกรมได้เท้าเดินไปเดินกลับมันเมื่อยแล้วก็นั่งลงเดินจงกรมได้มือถ้าเดินก็ดียุงไม่ค่อยกัดเวลาเดินไปเดินกลับยุงไม่ค่อยกัดถ้าเรานั่งเคลื่อนมือยุงก็กัดแต่ก็ยังดีนะ เพราะว่าการเคลื่อนมือมันปัดยุงได้โยมข้อดีของยกมือ14บสีชิ้ว่หวนี่ช่วยนะมาลงมาแรงนะเวลามันกัดปัดได้ตอนนั่งนิ่งๆมันกัดเลือดอิ่มเลยขันแสบเวลานั่งเคลื่อนมือนะดีกว่านั่งดูลมหายใจวิธีนั่งแนวหลงผู้เที้แล้วไม่หลับตา เราลืมตาเพื่อที่จะปรับให้จิตมันสมดุลอยู่ตลอดเวลาตามองก็ไม่มีความคิดใส่เข้าไปเวลากระทบกับรูปหูก็เหมือนกันเวลาเรารู้สึกตัวสติมันก็ช่วยไม่ให้เราหนะลงไปกับเสียงได้กลิ่นก็ตามริมรถก็ตาม มันก็จะไม่ปรุงแต่งมันไม่คิดต่อยาวทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัวแล้วก็มีสติทันในอารมณ์ต่างๆที่มันอยากแล้วก็มากระทบเป็นปัจจุบันขนาดเหมือนกันเราก็เลยเนี่ยแหละเลือกได้ระหว่างที่นั่งยกมือ14บสีจังหวะหรือว่าขณะที่เราเดินจงกรมอยู่กรรมฐานที่ตั้งของการกระทํามันชัดเจนเราเลือกได้ เรือที่จะออกมาหาความรู้สึกตัวที่ฐานกายมันมีเวทนาอาการเจ็บปวดทุกข์เราก็รู้เท่ารู้ทันมันมีอาการที่จิตคิดเราก็รู้เท่ารู้ทันมันมีอารมณ์ที่มากระทบต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจภายในภายนอกความง่วงเหงาหานอนนี่วาระธรรมต่างๆ แล้วก็ชัดเจนมีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวมันก็เลยมีพัฒนาการอารมณ์ทุกอารมณ์ถูกรู้ถูกเห็นเราจึงไม่ต้องมาเหมือนกับว่าเลือกเป็นความชอบความไม่ชอบให้รู้สู้ๆเวลามีปรากฏการณ์มีอาการต่างๆปรากฏขึ้นมาให้รู้สู้ๆรู้เฉยๆ อารมณ์กลางๆมีความเป็นกลางทุกๆคําพูดเ ป, เป็นสภาวะที่เราจะต้องสัมผัสเป็นเรื่องเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดโดยที่เรายังไม่ต้องไปตีความบ่มคืออะไรคําพูดเป็นภาษาของคนเฉยๆที่พูดสู่กันฟังแต่ธรรมชาติภายในนี่คือเราสัมผัสที่ตัวเราเลยตรงๆ มันจึงสะดวกทุกครั้งที่รู้สึกตัวเป็นความสะดวกมันจะรู้ง่ายๆเป็นรู้ตื่นๆมันจะไม่ยากแล้วก็ไม่ลึกรู้เป็นปัจจุบันตื่นๆสัมผัสง่ายๆธรรมดารรมดาถ้าผู้ปฏิบัติได้สัมผัสก็จะรู้เลยโอ้ธรรมะนี่ไม่ได้ยากมันเป็นเรื่องง่ายๆนี่แหละ แต่บางเอื่นว่าเราจับประเด็นยังไม่เคยถูกหรือบางคนบางท่านอาจจะจับถูกแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะหาให้สงสัยไปเลยมันจะไม่สงสัยว่าเคลื่อนมือทําไมจะไม่สงสัยว่าอะไรคือความรู้สึกตัวมันจะไม่หาความรู้สึกตัวเพราะความรู้สึกตัวมันตื่นมากเลยลุกครั้งที่กระทบสัมผัสมันแสดงออกชัดเราก็ทําให้ที รู้สึกตัวรู้สึกตัวทีๆจะสังเกตได้สัมผัสรู้กคิดรู้คนละตัวทุกครั้งที่มาสู่สัมผัสรู้สมองมันจะโลง่งภายในสมองไม่ได้ใช้ความคิดมันจะผ่อนคลายสบายหัวมีความสุข มันเป็นความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติมันเป็นอามิรสุขถ้าเป็นวัตถธหนึ่งสองสมสี่ห้ามันที่เราก่อนมาวัดปฏิบัติทมกันแต่ขณะที่เรารู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วมีความสุขมันเป็นนิรามิรสุขเป็นสุขที่ไม่ต้องอิงอามิจเป็นสุขที่ไม่ต้องอิงพุทโธหนึ่งสอสาม 1, 2, 3, บุคคลหนึ่งสมันเป็นสุขที่เหนือ จากการที่จะต้องอาบงือต่างน้ำปฏิบัติธรรมการเคลื่อนมือเดิยังคงไม่ถึงขนาดนั้นเดินผ่อนครายสบายๆนะั่งยกมือสบายๆผ่อนคลายเงื่อไม่ตกนะไม่ลำบากแล้วเตรียมกานที่สุดก็คือซับภัยในนะไม่มีใครที่สามารถที่จะป้นจี้หรือว่าขโมยของเราไปได้ แล้วก็ตายไปกับตัวเป็นหลักประกันที่ประกันข้ามภพข้ามชาติมันไม่ใช่ประกันเฉพาะในชาตินี้ทุกครั้งที่รู้สึกตัวรู้สึกตัวก็ติดตัวไปเลยไม่ใช่ว่าทําแล้วไม่ได้อะไรอย่างน้อยก็ได้ทําเมื่อได้ทําก็ได้ประสบการณ์ เมื่อเรามีประสบการ์รู้มากๆรู้มากๆรู้มากๆเป็นมหาสติถึงตรงนั้นมันก็มีพลังชีวิตมีพลังเหมือนกับเราเก็บเงินนะที่ละสิบบาทยี่สิบบาทคนสุบรีก็อาจจะงดสุบรีแล้วก็เอาเงินเก็บเอาไว้สุบรีวันละสองเก็บเอาไว้เลยสี่สิบบาท 2วันก็ได้แปดสิบบาทถ้าวันนึงดูสองซองวันละแปดสิบบาทสองวันก็ร้อยหสิบบาทก็เก็บทุกวันเหมือนกันน้อยแต่พอสิ้นเดือนมาดูสิ้นปีมาดูโอ้มันเยอะสิปีมาดูนมหาศาลนะเพราะงั้นกวารู้สึกตัวของเราไม่ต้องต้องคอยว่าทำแล้วไม่ได้อะไร มันได้อยู่ทุกๆขณะที่รู้สึกตัวมีคุณมีค่าทุกครั้งความทุกข์ที่เกิดจากความคิดทำอะไรไม่ได้ความรู้สึกตัวมันทำให้เกิดกรรมฐานเป็นเหตุทำให้เกิดที่ปัจนจนายานเป็นเหตุทำให้เกิดปัญญายานอันยิ่งเกินม จอถ้ามันเห็นอนาการต่างๆมากมายเหลือเกินที่เคยยึดนะเคยถือเหมือนกับว่าทำท่าจะสลัดไม่หลุดเหมือนกับมันมืดแต่ว่าความรู้สึกตัวก็เป็นกุญแจที่ไขแล้วก็มันมันง่ายอะธรรมะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดกันเลยแต่เพียงแค่ว่าการเคลื่อนการไหวนะ อาการต่างๆอารมณ์ต่างๆที่มันแสดงออกนะระหว่างความรู้สึกตัวกับอารมณ์เนี่ยเราเชื่อเชื่อสภาวะธรรมตัวไหนสภาวะของธรรมที่เกิดจากสติมีความรู้สึกตัวหรือว่าเลอสติลักเป็นอารมณ์ที่มีรสชาติเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความพอใจไม่พอใจ นักกรรมานเราเลือกเป็นเราก็จะเลือกเนะี่ยตัวความรู้สึกตัวที่เป็นลดจื ด, จดเป็นปกติจนมีนิสัยใหม่ขึ้นมานิสัยตื่นรู้เฉยเตื่นรู้เฉยตัวเฉยตัวซื่อตัวเนี้ยมันเป็นปลายยางรับรองเอาไว้ได้ว่าเราเดินทางมาถูกแล้วไม่ผิดทาง จะรู้จิดเจิดรู้เฉยเฉยทุกครั้งที่กราต้สัมผัสมันเป็นขอเป็นกรอบเป็นการรับรองตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นมารับรองเราจะรู้เองว่าความทุกข์เก่าๆปัญหาเก่าๆที่เป็นมลทินเครื่องเศร้าหมองภายในจิตใจของเราถูกขย่าขึ้นมาให้เราได้รู้เท่ารู้ทัน จนกระทั่มันเหมือนกับว่า ก, าการตื่นทุกข์ขึ้นมาออกจากทุกข์ตื่นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์ก็ดับที่เหตุเหตุพระหลงก็ไปในความคิดอย่างนี้ยหลงเข้าไปในอารมอย่างนี้พอมารู้สึกปับมันดับทันทีมันเหมือนกับว่าเราไม่รู้อะไรนั่นแหละคือมันรู้ แต่ในทางโลกมันเหมือนกันรู้อะไรมากมายกันแต่นั่นคือความไม่รู้มันไม่รู้มันรู้คิดเป็นความรู้สึกตัวเห็นพาออกมาจากทุกทันทีมันรู้คิดรู้อาคิดมันไม่จะคิดว่ารู้มันจะเห็นชัดเพราะว่าการขยับของจิตที่เวลามันคิดเนี่ยมันชัดเหลือเกิน กระตการที่รู้ทันคิดเท่าไหร่ก็ทันเท่านั้นคิดตอนไหนก็ทันตอนนั้นไม่ต้องคิดเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอะไรก็ตามทันกวัน้นแล้วก็พาถึงกลับรอดออกมาได้เป็นอิสระภาพไม่ต้องถูกผู ก, ผกมัดรัดตึงโดยนิสัยเก่าๆความคุ้นจินต่างๆ มันเกิดนิสใจใหม่ที่จำได้ถึงสภาวะของรู้สึกตัวและเป็นปกติมันชัดเจนเนี่ยเพราะนั้นเราก็ทำกันต่อไป เ, เชื่อตัวเอง เ, เชื่อที่สุดและพะท้ายสุดมันไม่ใช่คนอืาามาตอบแทนเราเราก็ต้องตอบด้วยตัวของตัวเราเองนั่นะทุกครังที่สัมผัสรู้สึกมันคือคำตอบแล้วสำหรับผู้ใหม่ ถ้ามีกายเราอยู่ก็แสดงว่ามีสัมััญญาอยู่เห็นตัวเองอยู่เราลึกได้ชัดก็มีอาการของสติรับรองอยู่สติมาสัมผััญญะก็มีมาหลงไปกลับมาได้หลงไปกลับมาได้เผลอไปเอากลับมาอีกเผลอแล้วเผลออีกก็กลับมาแล้วกลับมาอีกตรงนี้แหละ เลยไม่ต้องให้ไกลเหมือนกับว่าคอยชี้ทางคอยสร้างแรงบันดาลใจเพราะเราเกิดผลลัพธ์แบบทะลุทะลวงขึ้นมาคนที่ปฏิบัติธรรมยากนยก็บอกหนึ่งมีโรคมากคนมีโรคมากนี่ปฏิบัติธรรมยากจริงๆสองก็คือคนที่มีมิจฉาทิฏฐิ้ามีมิจฉาทิฏฐิยากมากๆ คนยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะจิตมันปิดสามก็คือคนที่โอ้โอวดคนที่แสดงตัวชอบเป็นใหญ่อันนี้ยากต่อมาคือคนที่ ไม่เห็นอาการเกิดดับของกิเลสคือไม่สามารถเห็นได้ว่าอะไรคือกิเลสที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่เห็นอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของกิเลสอันนี้ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้กิเลสเนี่ยเกิดตรงไหนก็เกิดตรงความคิดนั่นแหละกิดล้โกรธคิดแ ล, ล, ล, ล, ล, ล้โลภกิดล้หลงคิดล้วรักคิดล้ชังราการเห็นความคิดเกิดดับ ตรงนั้นแหละมันเป็นสมมติบัญญัะเป็นการตีความที่เป็นโรงงานผลิตกว า, าด้ของความทุกข์ทุกครั้งที่ออกมาจากความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นภาวะผู้ดูจริจรงๆรงเมื่อเห็นความคิดก็รู้สึกตัวได้กายเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวได้สภาวะของสติเวลามันมีมันเกิดมันดับเวลามันเด่นก็รู้สึกตัวได้ สติรู้กายสติรู้จิตนสติดูกายสติดูจิตสติเห็นกายสติเห็นจิตนาทีาสืกอคือสติรู้สติเห็นสติเกิดดับจนมันเกิดนเหมือนกับพลังของธรรมะเกิดขึ้นมาภายในมันก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวความรู้สึกตัวคือตัวที่มันรับรองเรา ไม่มีตัวอื่นนะตัวที่จะรับรองเราว่าเราทําถ่วคือรู้สึกที่ฐานกายอยู่แหละตัวเนี้คือการรับรองเป็นสติสัมปญญาอยู่อย่างอื่นไม่ต้องไปรู้อะไรกันนะรู้แค่ว่ามันรู้สึกอยู่ที่ตัวนะสติสัมปญญาเด่นขึ้นมาอันนั้นก็พูดได้ฟังนะถ้าเราคนใหม่บางที่อาจจะช่วยคนบางคลได้กลับมา พ, พร้อมกัน